ต้องมาลำบากนะต้องมาปฏิบัติธรรมนะไม่พูดไม่คุยกันทำไปทำไมนะอาจจะนึกไปถึงว่าโอ้มันเสียเวลานะวั 5, 000, 7, 000, น7ะวันถ้าอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานทำไรได้ต้องเยอะแยะนะมันเกิดความรังแลสงสัยขึ้นมาหรือบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ที่จริงสิ่งที่เราทำนี่นะ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 วัดกุง้งเสือนี่พันกับปีลวพันส3 0 0ปีแล้วอัตมาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมวันนี้ก็ตอนที่ท่านเว้ยหลางมาเนี่ยตอ น, นยังเป็นโยมอยู่ก็ลังมีการแสดงธรรมโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคนก็มาฟังเต็มศาลาแล้วก็ลนออกไปข้างนอกระวงที่คนกาลังฟังธรรมกันอยู่นั่นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกไปสังเกตเห็นธงเนี่ย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 มีอรมคุนมัวก็เริ่มเถียงกันเสียงดังมากขึ้นจู่ๆก็มีเสียงจากท่านไวลังนะดังออกมาว่าใจของท่านตั้งหากที่ไหวพอที่เหนเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายนี่อึ้งเลยหยุดเลยนะได้สติตอนนั้นเนี่ยมัวแต่สนใจเถียงกันนะเรื่องธมไหวหรือลมไหวลืมดูใจว่า ก, กำลังโกรธกาลังโมโหนะ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 ดูใจของเราใจของเรานเนี่ยนะมันเป็นตัวการเป็นสาเหตุสําคัญต่างหากที่ทําให้เป็นทุกข์เคยได้ฟังเรื่องของหลวงปู่บุตรดาไหมหลวงปู่บุตรดาเนี่ยท่านเป็นพระโบราณนะมรณภาพไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่มรณภาพก็อายุร้อปีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ประมาณสักห้าสิบหกสปีที่แล้ว มีวันหนึ่งท่านได้นิมนต์ให้มาฉันเพลงที่กรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงห์บุรีมาพอฉันเพลงเสร็จนะท่านก็จะกลับวัดญาติโยมเจ้าภาพก็บอกว่าจยายให้ท่านพักสักหน่อยเพราะว่าสิงห์บุรีเป็นไกลนะสมัยนั้นถนนมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่รถก็ความเร็วก็ต่ำหลวงปู่ก็แก่แล้ว80ดิแล้วมั้ง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 สวมเกีย้ยเป็นเกี้ยไม้เกี้ยไม้เนี่ยเวลาเดินมันก็ดังโดยเฉพาะเวลาขึ้นบันไดเนี่ยนะบันไดไม้เสียงก็ยิ่งดังเสียงก็ดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่บุดานะจําวัดอยู่ลูกศิษย์ได้ยินก็ไม่พอใจก็พูดบ่นว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจกันหลวงปู่ท่าน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 ภัชนนยชนิดหนึ่งคือภัยที่ปกปิดก็ได้แก่ความโรคความโกรธความถือตัวความอิจฉาลิสยานยะความหลงไอ้พวกนี้แหละคือภัยที่คนมักจะมองข้ามไอ้อะไรเวลาทุกเนี่ยนะก็จะไปโทษพ่อแม่บ้งโทษเพื่อนร่วมงานบ้างโทษเจ้านายบ้างโทษเสียงดังบ้างโทษดินฟ้าอากาศโทษการเมืองโทษ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 ความคิดมันพาไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครไปบังคับไม่มีใครชักชวนให้เราทาหรือถึงชักชวนแต่เราไม่เชื่อเราก็มีสิทธิ์ทาได้แต่คนก็ทำเพราะอะไรนะก็เพราะไอาอารมณ์เพราะความคิดที่มันปรุงแต่งตจนกระทั่งคุมไม่อยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดจากการที่จิตเนี่ยไม่มีสติ